รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต้องถูกปัจจัยปรุงแต่งไหมย่อไหนถูกถูกทาลายย่อยๆไหมเนาะนั่นเขาบ่งบอกถึงตัวเขาเป็นอันนี้จะลักษณะทุกคลักษณะและอนัตต์และเขาบอกว่าตัวของเขาเองไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยอยว่าเขามีปัจจัยประชุมปรุงแต่งถึงให้เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับมีเหตุมีปจัจจัยก็เกิดอีกเมื่อไร่เราจะดับเหตุปัจจัยเขาได้มันจะได้ไม่มีปัจจัยในการสืบต่อกันของสังขารและโลกเนี่ย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 คำว่าตั้งอยู่ในด้วยต่อไปนี่นะอันนี้พูดถึงในเรื่องของโลกประการต่อมาอันแรกเลยสเพสต า, าหาระ์ัละติติกาที่บอกสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนะเกิได้ด้วยอาหารศัพท์ว่าอาหารเนี่ยอาหารตัวนี้เป็นชื่อของว่าปัจจัยนะ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 ปัญจมาฌานหรือจตุตจฌานของบุคคลที่ได้ฌานที่ปรารถนาการไปเกิดที่มีรูปขันย์อย่างเดียวเจตนากรรมอันนั้นที่ผลักดันขับเคลื่อนจากความปรารถนาความต้องการที่มีตระหนาวิชาแวดล้อมด้วยที่เป็นกุศลนั่นรูปาว่าจะรับปัญจมาฌานกุศลที่เกิดร่วมกับสัญญาวิราคาเจตนาไอนะเจตนากรรมเหล่านั้นเป็นต้นนั่นแหละ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 สิบเจ็ดรูปที่เกิดขึ้นในสัญญาสัตย์ผมตรงนั้นน่ะที่เขาเกิดขึ้นมีความเบาความอ่อนความคลวนใช่ไหมมีดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาติใช่ไหมเป็นต้น น, นั่นเองนะมีกรรมชรูปกรรมชะลูปก็มีอะไรอะ่ะไม่ใช่จากขุปปัสสัตวตปัสสัตว์ข้านาปรสสัตชิวหาปัสสัตนะเออเขาเขามีกรรมชรลูปส่วนอื่นมีกรรมชรูปส่ว น, ส, วนส่วนที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ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 เพราะอะไรเพราะเป็นการเยื้องกลายแห่งพระธรรมเทศนาและเพราะอัธยาศัยของเวยนยะสัตว์เนาะเออศสตว์เวนัยศัตร์นี่นะจริงอยู่นะพระบรมศาสดานี่นะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนะี่ยทรงถึงการเยื่องกลายแห่งพระธรรมเทศนาพระผู้มีพภาคเจ้าเหล่านั้นย่อมทรงสแสดงพระธรรมเนศนาทำให้เป็นปุกรลาธิฐานในที่บางแห่ง ทำให้เป็นธรรมมาที่ฐานในที่บางแห่งตามที่ทรงพอวัะไทยที่จะให้เป็นไปในเวเนยศาสตว์จะได้ตัดสรุปเวเนยศาสตร์เราใดไม่ได้อย่างลงสู่ลำดับแห่งเทสนาก็ย่อมแสดงพระธรรมเทสนาเป็นปุกาลาที่ฐานแกสัตว์เหล่านั้นคือเขาท่านไม่เคยเรียนมาเรื่องขันธ์ทาตุยัตนาเลยอ่ะใช่ไหม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 อีกอย่างหนึ่งเทศนาแรกสําหรับบุคคลผู้เป็นโคตรหรือเป็นเป็นเป็นชุดของกลุ่มศรัทธานุสาลีเพื่อจะหลุดพ้นโดยศรัทธานี่เนื้อบุคคลนอกนี้เป็นเขาเรียกว่าเพราะบุคคลเหล่านั้นมีบุคคลเป็นประมาณเทศนาหลังกระผู้มีโคตรเป็นธรรมานุสาลีอีกอย่างหนึ่งเทศนาที่เป็นปุกาลาทีฐานเท่านั้าเขาบุคคลผู้เป็นโลกาทีบดีนะมีมีโลกเป็นใหญ่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 นิดๆอีกอย่างหนึ่งนะคาว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมเวียนไปตลอดที่ประมาณเท่าใดมีความว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ไปรอบๆคือวนไปในที่ประมาณเท่าใดย่อมส่องทิศให้สว่างสวายอยู่ในทิศนั้นรุ่งเรืองสว่างสวายด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์ในที่นั้นนั้นัน่นแหละเป็นต้นนั้นก็พูดถึงการที่พระจันทร์พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างเออถ้าเร า, า, าดูในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคนบางคนก็คิดคุณของพทธเจ้าได้เนี่ย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 โอชาถักะหรือว่ารูปที่มีโอชาเป็นที่แปดใช่ั้ยก็คือดินน้ำไฟลมสีกินรสโอชานั่น ร, รูปที่มีโอชาเป็นที่แปดฉะนั้นตัวกาวลิงกรหาหันก็คือตัววิตามินทั้งหลายที่เราผ่านการเคียคคเ้ยวเข้าไปแต่ละคำแต่ละคำเนี่เนืย้เข้าไปแต่ละคำผ่านชิวหาประสาทเข้าไปให้โอชาให้ทีละแปดลูกแปดรูปนเนี่ยเข้าสู่สรีระขัน ล, ลังรูปธม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 อภิษานีนำอะไรนำสุขเวทนามาให้ทุกเวทนามาให้แล้วก็ทุกคมสุขเวทนามาให้ เ, เวทนาใช่ไหมภาษานำเวทนามาให้ขอบคุณเขาไหมน่านขอบคุณหภาษาอันเป็นที่ตั้งของทุกเขา น, นำทุกเวทนามาให้อทมนัสเวทนาใครนำให้ภาษานี่แหละขอบคุณเนาะพี่ทำให้เราทุกใจเราเครียดเพราะออดันั้นเราจะไปโกรธ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 สนใจว่าอะไรยังเหลือเยอะสนใจได้ใช่ไหมโทรเรียกหายังได้เลยตัวผลิตเลยตัวผลิตในตัวโรงงานเนี่ยืตัวลงเป็นเป็นตัวโรงงานผลิตทุกเนาะตัวตันหานี่เนี่ยที่บวกกับมโนสัญเจตนาเนี่ยเป็นตัวโรงงานมือมาท่านนึกว่าเป็นเจ้ากรมเลย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 กไปเรียนกันหน้าตายิ้มแย้มย่้มใส่เออจะชื่นชมทุกศาสตร์กันอยู่นั่นแหละกระทั่งที่ทิทองเนี่ยสองพนัศาส า, สาขาตาังทิติกตาตัมสมิตตังไปนั่งเถียงกันโกรธกันอีกในห้องเนี้ไปดำอาศร ร, ร, รนนิญญานอีกเข้าใจหมโอเถียงกันหน้าดำตาแดงเลยอะ่ะอ๊ะทำไมไม่แปลกยิงนะ